สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจีอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สามสิบสองเรื่องระวังนางให้ดีพราะเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ห้าข้อเจ็ดถึงข้อสิบสี่นะครับสุภาษิตบทที่ห้าข้อเจ็ดถึงข้อสิบสี่โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเราและอย่าหันหนีจากถ้อยคําของเราจงให้วิถีของเจ้าห่างไกลจากนางอย่าเฉียดกลายไปใกล้ประตูบ้านของนางเกรงว่าเจ้าจะสูญเสียเกียรติให้แก่คนอื่นและให้ศักดิ์ศรีของเจ้าแก่คนโหดร้ายเกรงว่าคนแปลกหน้าจะมาเสวยสุขอยู่บนทรัพย์สินความสามารถของเจ้าและน้ําพักน้ําแรงของเจ้าจะตก แก่บ้านของคนอื่นในบ้านปลายชีวิตเจ้าจะร้องโอดครวนเมื่อกำลังและร่างกายของเจ้าถูกกัดกินจนเสื่อมโทรมไปเจ้าจะกล่าวว่าเราเคยเกลียดการตีสั่งสอนยิ่งหนักและไม่แยแสคำตักเตือนเราไม่ยอมเชื่อฟังครูอาจารย์หรือรับฟังผู้สั่งสอนของเรา เราจวนเจียร์จะถล่มสู่หยนะต่อหน้าสาธารณชนพี่น้องที่รักครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของหญิงแพทย์สยาซึ่งก็คือโสเพนีนั่นเองมีความหมายถึงผู้หญิงที่มีสามีมาแล้วเพราะเจ้านาของพระเจ้าได้เตือนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเราจะต้องระมัดระวังไม่ทำผิดในเรื่องเพศ ด้วยเหตุผลสามประ ก, การได้กล่าวไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้แต่ผมจะขอทบทวนการแรกก็คือสเสน่ห์ของผู้หญิงหรือสเสน่ห์ของหญิงชั่วหญิงโสเภณีเหล่านี้เป็นการทดลองครับการทดลองให้คริสเตียนเราทำผิดหรือละทิ้งคำสัญญาที่เคยให้กับพระเจ้าประการที่สองการผิดศีลธรรมทางเพศนั้น ถือว่ามีอันตรายร้ายแรงที่สุดเพราะมันทำลายชีวิตครอบครัวมันทำลายความรักประการสุดท้ายครับการทำผิดศีลธรรมทางเพศนั้นขัดกับพระบัญญัติของพระเจ้าและถือว่าเป็นบาปใหญ่พี่น้องครับเราทุกคนควรระวังตัวจากคำพูดที่สอพอประจบประแจงคำหวานหูที่เหมือนกับน้าผึ้งที่แนบเนียนเราจะต้องหลีกหนีให้ไกลครับ อย่าสนทนากับคนพวกนี้และในที่สุดครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อชีวิตของเราเดินไปนะครับจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและความบาปนี้ก็ไม่สามารถสลัดทิ้งไปได้มันสายเกินไปที่จะขอคำแนะนำมันสายเกินไปที่จะกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับความปรารถนาทางเพศนั้น เมื่อถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่นะครับเราก็เกิดความพึงพอใจและเราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินทางไปสู่แดนผู้ตายครับพี่น้องครับก่อนที่การทดลองจะมาถึงเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันเราจะต้องหลีกหนีสู้กับมันไม่ได้ครับเรื่องนี้ในขณะเดียวกันครับใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่ในความผิดบาปต่างๆเหล่านี้ผมขอเตือนว่าเราจะต้องรีบกลับใจเสียใหม่ครับ เราจะต้องทิ้งพฤติกรรมเหล่านี้ให้หมดเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่ถูกทําลายาพระคัมภีร์ตอนตอนนี้ทําให้เรารู้สึกหรืออ่านแล้วเข้าใจได้ว่าผู้หญิงพวกนี้นั้นดูดทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้ชายครับดูดเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีดูดเอาความมั่งคัง่งดูดเอาสิ่งต่างที่ผู้ชายนั้นสะสมมาและทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นตกต่ํา พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ที่หลีกนะครับหลีกนี้จากทางของคนเหล่านี้ให้ไกลอย่าเขียดเข้าไปใกล้ประตูของเขาอย่าเขียดเข้าไปใกล้ประตูบ้านของเขาครับและถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เราจะต้องเราจะต้องเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ เสียเกียตรติที่เราเคยมีเคยได้ให้กับคนอื่นๆคําว่าคนอื่นนั้นไม่ใช่หมายถึงแค่ผู้หญิงเหล่านั้นแต่จะเป็นญาติพี่น้องของเขาหรือจะเป็นแก๊งของเขาหรือจะเป็นการแบ็กเมทต่างๆพี่น้องครับการที่เราไปค้องแวะกับคนที่ไม่ดีชีวิตของเราก็จะหดสั้นเข้าหดสั้นลงและตายเร็ว ปีเดือนของเราจะถูกกำหนดให้กับคนที่ไร้เมตตาคนที่มีความชั่วร้ายในขณะเดียวกันครับทุนหายกำไรหดหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าแขกแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักนั้นเขาจะกินกำลังของเราจนอิ่มคามว่ากินกาลังของเราจนอิ่มนั้นก็หมายถึงว่าคือเอากำไรที่เกิดจากงานของเรานะครับ เข้าไปอยู่เป็นสมบัติของเขาพี่น้องครับตรงนี้เองทาให้เรารู้ว่าการที่เราไปค่องแวะกับผู้หญิงเหล่านี้นะครับทำให้ชีวิตของเราสั้นไม่เพียงแต่สั้นครับก็ยังเป็นชีวิตที่เสื่อมเสียเกียรติยศแต่ไม่เพียงแต่เสื่อมเสืมเสียเกียรติยศครับก็ยังเป็นชีวิตที่ทำให้เงินทองทรัพสมบัติของเรานะครับผลจากน้ามือน้ำแรงของเราหายไป และในที่สุดเมื่อชีวิตของเขานั้นนอนอยู่รอความตายบนเตียงนอนแห่งความตายหรือี่เรียกว่าเดดเบสเดดเบสบั่นปลายชีวิตของเขานั้นเขาถอยกลับมาดูครับปรากฏว่าเขาจะเสียอกเสียใจเพราะว่าชีวิตของเขานั้นไม่ยอมรับคําเตือนสอนนี่เป็นความเสียดายเสียใจครั้งใหญ่ครับเพราะว่าอะไรครับชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับ เดินมาจนกทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขามีความรู้สึกว่าเสียของครับเสียอกเสียใจไม่คุ้มค่าชีวิตไม่มีความหมายใดๆหลงเหลืออยู่เียียดยศศักดิ์ศรีที่เคยมีเคยอยู่เคยได้หายไปเสียหมดพี่น้องครับนี่คือคำเตือนจาก พ, าพระเจ้าอย่าให้เรามีวันหนึ่งจะบอกว่าถ้าไม่เคยฟังเสียงสียพิบาลของข้า ข้าไม่เคยฟังเสียงครูของข้าถ้าไม่เคยฟังเสียงครูระวีของข้าข้าไม่เคยฟังเสียงผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อข้าข้าล้มละลายสู่ความพินาศของข้าต่อหน้าสาธารณชนทั้งหลายี่เกียกับสิ่งเหล่านี้ขอให้ห่างไกลจากชีวิตของพวกเรานะครับขอให้ห่างไกลจากชีวิตของเราเราจะต้องตัดสินใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ครับนะครับ เราจะต้องรู้ว่าอันตรายมันมีเยอะขนาดนี้และความโง่เขานะครับเป็นความโง่เขาอย่างยิ่งที่จะต้องวิ่งนะครับวิ่งไล่ตามเพศสัมพันธ์ต้องห้ามเหล่านี้และเพศสัมพันธ์ต้องห้ามเหล่านี้จะดูดดูดทั้งวันเดือนปีของเราหมายความว่าดูดทั้งชีวิตของเราทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทําทให้ในที่สุดนั้นเราเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยครับ ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีต่างๆพี่น้องครับคนที่อยู่ในมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ทางเพศนะครับที่ไม่เหมาะสมที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายความบาปนั้นเราจะต้องอยู่ห่างจากคนเหล่านั้นครับเราจะต้องตัดสินใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านั้นนะครับการยืนหยัดต่อสู้ของเราก็จะง่ายขึ้นต้องคอยหลีกครับอย่าคอยให้มันเกิดขึ้น จงเตรียมรับมือฉีดภูมิคุ้มกันครับฉีดวัคซีนที่เราจะต้องหนีครับจงเตรียมรับมือกับการทดลองด้วยกันตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยครับว่าเราจะไม่ทํานะครับและเราจะต้องหนีครับและการหนีนั้นเกิดขึ้นเมื่อโยเซฟนะครับโยเซฟที่อยู่กับภรรยาของเจ้านายของตัวเองเมื่อภรรยาของเจ้านายตัวเองนั้นให้ท่าโยเซฟต้องหนีครับ และนี่คือสิ่งที่อพอมพีสอนเราให้หนีจากผู้หญิงเหล่านี้จากความชั่วและเหล่านี้แล้วชีวิตของเรานั้นก็ะจะปราศ จ, จากมนทินและจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปอาเมน